ย้อนหลังไปเพียงเล็กน้อยจากเวลาที่พระาศาสดาตรัสกับพระอานนุ์เรื่องอสรพิษปัจฉิมยามแห่งราตรีฝนซึ่งตกหนักมาแต่ปฐมยามได้เริ่มสางซาลงบ้างแล้วทวยนาครกกำลังล่วงเข้าสู่นิทรารมอันสนิทใครจะนึกบ้างว่าในยามนี้มีมนุษย์กลุ่มหนึ่งกำลังทำความพยายามเข้าไปสู่พระนคร เพื่อทรัพย์สมบัติซึ่งตนไม่ได้รงแรงหามาเลยถูกแล้วเขามีอาชีพเป็นโจรประตูเมืองปิดสนิทมียามรักษาการแข็งแรงเขาประชุมปรึกษากันตั้งแต่ปฐมยามว่าจะหาทางเข้าพระนครได้โดยวิธีใดในที่สุดเมื่อใกล้ปชิมยามเข้ามาเขาจึงตกลงกันว่าจะต้องเข้าไปทางท่อระบายน้ำคืนนั้นพวกเขาไม่ได้นอนเลย จริงทีเดียวบุคคลผู้หลับน้อยตื่นนานหรือบางทีไม่ได้หลับเลยในราตรีนั้นมีอยู่ห้าจำพวกคือ 1. หญิงผู้ปฏิพัฒ์ชายหวังให้เขาชม 2. ชายผู้ปฏิพัฒน์หญิงรำพึงถึงเธอด้วยดวงจิตที่จดจอ่อ 3. โจรมุ่งหมายทรัพย์ของผู้อื่นหาทางจะขโมยหรือปล้น 4. พระราชากังวลด้วยพระราชภารกิจห้าสมณะพูดทำความเพียรเพื่อละกิเลสหญิงชายปฏิพัต ช, ชูหวังชมเชยนาโจรมุ่งหมายทรัพสมบัตรปรน้นราชันกิจกังวลมากอยู่พระอยากละกิเลสพน้นหลับน้อยตื่นนาน บุคคลสามประเภทหลังคือโจรพระราชาและสมณะนั้นแม้จะหลับน้อยแต่เมื่อถึงเวลาที่จะหลับคือสิ้นภาระหน้าที่แล้วก็สามารถหลับได้อย่างง่ายดายและสงบแต่สองประเภทแรกสิเมื่อยังไม่หลับก็ยากที่จะขมตาหลับลงได้เมื่อหลับก็หลับได้ไม่สนิทคอยพลิกฟื้นตื่นภวาอยู่ร่าไป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 โยนพวกนั้นเข้าไปในท่อน้ําได้สําเร็จสมประสงค์แล้วทําลายอุมโมงค์ในตระกูลที่มั่งคัง่งตระกูลหนึ่งได้แก้วแหวนเงินทองไปเป็นจํานวนมากพร้อมทั้งถุงเงินด้วยก็นําไปแบ่งกันณที่แห่งหนึ่งแต่บังเอิญเขาได้ลืมถุงเงินไว้เพราะมีของอื่นมากหลายจนนําไปแทบจะไม่หมดเมื่อเจ้าของทรัพย์ตื่นขึ้นทราบเหตุในตอนเช้า จึงออกติดตามและมาพบร่องรอยตรงที่โจรแบ่งของกันแล้วตามรอยของชาวนาคนนั้นไปพอดีรอยเท้าไปหยุดลงที่กองฝุน่นเขาลองเขี่ยดูก็ปรากฏถุงเงินมากหลายจึงแน่ใจว่าชาวนาซึ่งกำลังไถนาอยู่นั้นเป็นโจรช่วยกันตีเสียจนบอบชำ้ำแล้วนำตัวไปถวายพระเจ้าประเสนทิโกสลพระราชาทรงทราบเรื่องราว แล้วรับสั่งให้ประหารชีวิตราชบุรุษเชี่ยนเขาด้วยหวายครั้งละหลายๆายเส้นแล้วนำตัวไปสู่ตะแลงแกงในขณะที่กำลังถูกนำไปสู่ที่ฆ่านั่นเองเขาพร่ำอยู่เรื่องเดียวคือข้อความที่พระาศาสดาตรัสกับพระอานนุ์ดูก่อนอานน์เธอเห็นอสรพิษไหมเห็นพระเจ้าข้า เมื่อถูกเคี่ยนด้วยหวายเขาก็พูดคำนี้ดูก่อนอานนท์เธอเห็นอสรพิษไหมเห็นพระเจ้าข้าจนราชบุรุษประหลาดใจจึงถามข้อความนั้นเขาบอกว่าถ้านำเขาไปเฝ้าพระราชาเขาจึงจะบอกราชบุรุษนำตัวไปเฝ้าพระเจ้าปเปเสนชิโกสลพระองค์ตรัสว่าดูก่อนกสัตกก เพราะเหตุไรเธอจึงกล่าวดับพระดำรัตแห่งพระาศาสดาและพระพุทธอนุชาอานน์เทวะเขาทูลข้าพระองค์มิได้เป็นโจรแต่ข้าพระองค์เป็นคนทำนาหาเลี้ยงชีพโดยสุจริตแล้วเขาก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้พระราชาทรงทราบจอมเสนาแห่งแคว้นโกศลสดับคำนั้นแล้วทรงดำริว่าชายผู้นี้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 เย็นวันนั้นพระองค์เสด็จไปเฝ้าพระศาสดาและให้นําชาวนานั้นไปด้วยเมื่อถวายบังคมแล้วจึงทูลถามว่าพระองค์ผู้เจริญเช้า ว, วันนี้พระองค์และพระคุณเจ้าอานุนเสด็จไปที่นาของชายผู้นี้หรืออย่างนั้นมหาบพิษพระศาสดาทรงตอบพระองค์ได้ทรงเห็นอะไรบ้างพระเจ้าข่าพระเจ้า เปรเที่โกศลทูลถามเห็นถุงเงินมหาบกพิธแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงเล่าเรื่องทั้งหมดตรงกับชาวนาเล่าพระเจ้าประเซนที่โกศลทราบเรื่องนี้ทรงสลดพระสังเวชพระไทยกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นที่พึ่งของโลกข้าพระองค์รู้สึกเสียใจและไม่สบายใจมากที่สั่งลงโทษบุรุษผู้นี้โดยที่เขาไม่มีความผิดเลย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 พระเจ้าประส e n t ิโกสลก็ซบพระเสียรลงแทบพระยุคลบาทพระศาสดาทรงจุมทิษพระบาทของพระพุทธองค์ด้วยความเลื่อมใสอย่างสูงซึ่งพระองค์มักทรงกระทําเสมอเมื่อไปเฝ้าพระศาสดาพระตถาคตเจ้าทรงปลอบให้พระราชาเบาพระไทยด้วยพุทธดํารัตนเป็นอเนกปริยายตอนสุดท้ายตรัสว่า มหาบพิตคขลือหัดผู้ยังบริโภคกรรมเกียรติครานหนึ่งพระราชาทรงประกอบกรณียกิจโดยไม่ได้พิจารณาโดยรอบครอบทีท่วนเสียก่อนหนึ่งบรรพชิตไม่สำรวมหนึ่งผู้อ้างตนว่าเป็นบัณดิตแต่มักโกรธหนึ่งสี่จำพวกนี้ไม่ดีเลย มหาบพิตรกรรมอันใดที่ทำไปแล้วต้องเดือดร้อนใจภายหลังต้องมีหน้าชุ่มด้วยน้ำตาเสวยผลแห่งกรรมนั้นตถาคตกล่าวว่ากรรมนั้นไม่ดีควรเว้นเสียมหาบุพิตรนานมาแล้วมีพระราชาพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าปิงคระถวยนาคอนถวายสร้อยพระนามให้ว่าอากันหาเนต ผู้มีพระเนตรไม่ดำหมายความว่าทรงดุร้ายและประกอบราชกิจโดยไม่ได้ทรงพิจารณาสั่งฆ่าพระหารคนโดยไม่ได้พิจารณาให้รอบครอบจนเป็นที่เกลียดชังของคนทั้งหลายเมื่อพระองค์สิ้นพระชนชาวนาครต่างชื่นชมโสมนัสเล่นมหลศพเจ็ดวันเจ็ดคืนยกทงทิวตามประทีปโคมไฟหลากสี มีการเล่นเต้นรำยังเบิกบานใจในถ้มกลางความบันเทิงนั่นเองคนเฝ้าประตูคนหนึ่งไปยืนเกาะบานประตูร้องไห้อยู่เมื่อถูกคนทั้งหลายซักถามถึงสาเหตุที่ร้องไห้เขาก็ตอบว่าเขาร้องไห้เพราะพระราชาอากันหเนรสิ้นพระชนนั่นเองเขากลัวกลัวว่าพระองค์เสด็จไปสู่ยมโลกแล้วจะไปทำทารุณกรรมต่าง จนยมพบาลเอาไว้ไม่ไหวแล้วจะส่งกลับขึ้นมา ก, อาก่อกวนความสงบสุขในโลกนี้อีกเขาคิดไปอย่างนี้แล้วจึงร้องไห้หาได้ร้องไห้เพราะความเสียใจหรือจงรักพักดีไม่มหาบุพพิตรเมตตากรุณาเป็นพรอันประเสริฐในตัวมนุษย์พระเจ้าประเสริที่โกศลทรงบันเทิงด้วยพระธรรมเทศนาของพระศาสดาเป็นที่ยิ่ง ทรงสนทนาต่อไปอีกครู่หนึ่งแล้วถวายบังคมลากลับส่วนชายชาวนาผู้นั้นทรงกระแสจิตไปตามพระดำรัสของพระาศาสดาสามารถถอนสังโยชน์เบื้องต่ำสามประการได้สำเร็จโซดาปฏิผลเป็นอริยบุคคลชั้นโซดาบันด้วยประการชนนี้แม้จะทรงมีพระไทยกรุณาพระดุดห่วงมหานพก็ตาม แต่พระบรมศาสดาทรงรังเกียจอย่างยิ่งซึ่งบุคคลผู้ไม่บริสุทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสาวกที่ทรงเพศเป็นภิกษุมีเรื่องสาทกดังนี้วันหนึ่งเป็นวันอุโบสถพอพระอาทิตย์ตกดิน พระสงฆ์ทั้งมวลก็ประชุมพร้อมกันณอุโบสถาคารเพื่อฟังพระโอวาทปาติโมกซึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงเองทุกกืงเดือนพระมหาสมณ า, จาเจ้าเสด็จสู่โรงอุโบสถแต่ประทับเฉย อ, อยู่หาแสดงพระโอวาทปาติโมกไม่เมื่อปฐมยามแห่งราตรีล่วงไปแล้วพระอานนทพุทธอนุชาจึงนั่งคุกเขา่า ประนมมือถวายบังคมแล้วกราบทูลว่าพระองค์ผู้เจริญบัดนี้ปฐมมยามแห่งราตรีล่วงไปแล้วภิกษุทั้งหลายคอยนานแล้วขอพระองค์โปรดทรงแสดงปาติโมกเถิดแต่พระพุทธองค์ก็ยังทรงเฉยอยู่เมื่อมชิมยามแห่งราตรีล่วงไปแล้วพระอานนุ์ก็ทูลอีกแต่ก็คงประทับเฉย ไม่ยอมทรงแสดงพระโอวาทปฏิโมกเมื่อย่างเข้าสู่ปัชิมยามพระอ น, นุ์จึงทูลว่าพระองค์พูดเจริญบัดนี้ปฐมมยามและมัชชิมมยามล่วงไปแล้วการเวลาย่างเข้าสู่ปัติมยามภิกษุทั้งหลายคอยนานแล้วขอพระองค์อาศัยความอนุเคราะห์แสดงโอวาทปฏิโมกเถิดพระมหามุนีจึงตรัสว่า ดูก่อนอาน o น์ในชุมนุมนี้ภิกษุผู้ไม่บริสุทธิ์มีอยู่อาน o น์วิชัยฐานะที่ตถาคตจะแสดงปาติโมในทํากลางบริสัทธ์อันไม่บริสุทธิ์ตรัสอย่างนี้แล้วก็ประทับเฉยต่อไปพระมหาโมคลานะอ克拉สาวกเบื้องสายนั่งเข้าฌานตรวจ ด, ดูว่าภิกษุรูปใดเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์ อันเป็นที่รังเกยียจของพระาศาสดาเมื่อได้เห็นแล้วจึงกล่าวขึ้นท่ามกลางสงฆ์ว่าดูกรภิกษุท่านออกไปสิเถิดพระาศาสดาเห็นท่านแล้วแม้พระมหาเถระจะกล่าวอย่างนี้ถึงสามครั้งภิกษุรูปนั้นก็ไม่ยอมออกไปจากชุมนุมสงฆ์พระมหาโมคคลานะจึงลุกขึ้นแล้วดึงแขนภิกษุรูปนั้นออกไปเมื่อภิกษุรูปนั้นออกไปแล้ว พระอานต์จึงทูลให้แสดงปฏิโมก์อีกพระศาสดาตรัสว่าอัศจันจริงโมคลานะนักนาจริงโมคลานะเรื่องไม่เคยมีได้มีขึ้นแล้วโมฆบรุษผู้นั้นถึงกับต้องกระชากออกไปจากหมู่สงเธอช่างไม่มีฮิลิโอตปะสำรวจตนเองเสียเลยภิกษุทั้งหลายเป็นอถานะ เป็นไปไม่ได้ที่จะตาคตจะพึงทําอุโบสถแสดงปาติโม่ท่ามกลางชุมนุมสงฆ์ที่ไม่บริสุทธิ์แม้จะมีเพียงรูปเดียวก็ตามทิกสุทั้งหลายโมฆะบุรุษผู้นั้นทําให้เราลําบากใจทิกษุทั้งหลายเราขอประกาศให้เธอทั้งหลายทราบว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราตถาคตจะไม่ทําอุโบสถแสดงปาติโม่อีก ขอให้ภิกษุทั้งหลายทำกันเองแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงสแสดงความอาศจันย์แห่งธรรมวินัย แประการเปรียบด้วยความอัศจรรย์แห่งมหาสมุทรดังนี้ภิกษุทั้งหลายมหาสมุตรย่อมลึกลงตามลําดับลาดลงตามลําดับไม่โกรกชั้นเหมือนภูเขาขาดชันใดธรรมวิไนนี้ก็ฉันนั้นมีการศึกษาตามลําดับการปฏิบัติตามลําดับการบรรลุตามลําดับลุ่มลึกลงตามลําดับลําดับ ภิกษุทั้งหลายมหาสมุทรแม้จะมีน้ำมากอย่างไรก็ไม่ล้นฝั่งคงรักษาระดับไว้ได้ฉันใดในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นภิกษุสาวกของเราย่อมไม่ล่วงละเมิดสิกขาบทที่เราบัญญัติไว้แม้จะต้องลำบากถึงเสียชีวิตก็ตามภิกษุทั้งหลายมหาสมุรย่อมซักศาสัสาสากศพที่ตกลงไปขึ้นฝั่งเสีย ไม่ยอมให้ลอยอยู่นานฉันใดในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นสงย่อมไม่อยู่ร่วมกับภิกษุผู้ทุศีลมีใจบาปมีความประพฤติไม่สะอาดน่ารังเกียจมีการกระทาที่ต้องปกปิดมิใช่สมณนะปฏิยานตนว่าเป็นสมณนะไม่ใช่พรหมจารีเป็นคนเน่าในรุงรังสางได้ยากเหมือนกองอยากเยื่อ สงประชุมพร้อมกันแล้วย่อมขับภิกษุนั้นออกเสียจากมูภิกษุเช่นนั้นแม้จะนั่งอยู่ท้ำกลางสงก็ชื่อว่าอยู่ห่างไกลาจากสงและสงก็ชื่อว่าอยู่ห่างไกลาจากภิกษุเช่นกันภิกษุทั้งหลายแม่น้ำสายต่างๆย่อมลังไหลลงสู่มหาสมุทรและเมื่อไปรวมกับน้ำในมหาสมุทรแล้วย่อมละชื่อเดิมของตนเสีย ถึงซึ่งการนับว่ามหาสมุทรเหมือนกันหมดฉันใดในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นกุลบุตรผู้มีศรัทธาปรารถนาจะบวชออกจากตระกูลต่างๆวรรณะต่างๆเช่นวันณะพราหมณ์บ้างกษัตริย์บ้างไวยศยะบ้างสูตรบ้า ง, า ง, างคนเทียากเยื่อบ้างจันทานบ้างแต่เมื่อมาบวชในธรรมวินัยนี้แล้วละวันณนะสกุลและโคตรของตนเสีย ถึงซึ่งการนับว่าสมณะสากยะบุตรเหมือนกันหมดภิกษุทั้งหลายความพร่องหรือความเต็มเออยย่อมไม่ปรากฏแกมหาสมุทรแม้พระอาทิตย์จะแผดเผาสักเท่าใด น้ำในมหาสมุทรก็หาเหือดแห้งไปไม่แม้แม่น้ำสายต่างๆและฝนจะหลั่งลงสู่มหาสมุทรสักเท่าใดมหาสมุทรก็ไม่เต็มฉันใดในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นแม้จะมีภิกษุเป็นอันมากนิพพานไปด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุแต่นิพพานธาตุก็คงอยู่อย่างนั้นไม่พร่องไม่เต็มเลย แม้จะมีผู้เข้าถึงนิพพานอีกสักเท่าใดนิพพานก็คงมีให้ผู้นั้นอยู่เสมอไม่คลาดแคลนหรือคับแคบภิกษุทั้งหลายมหาสมุทรมีพูดคือสัตว์น้ำเป็นอันมากมีอวัยวะใหญ่และยาวเช่นปลาติมิปลาติมินคละปลาหวานเป็นต้นฉันใดในธรรมวิันนี้ก็ฉันนั้น มีพูดคือพระอริยบุคคลเป็นจํานวนมากมีพระโสดาบันบ้างพระสกิทาคามีบ้างพระอนาคามีบ้างพระอรหันบ้างจํานวนมากหลายเหลือนับภิกษุทั้งหลายมหาสมุทรมีนานารัตนะเช่นมุกดามณีไพลทูลเป็นต้นชั้นใดในธรรมวินัยนี้ก็ชั้นนั้นมีนานาธรรมรัตนะเช่น สติประธาน 4, สัสมมตประธานสอิทธิบาทสโพชฌงเจ็ดมักมีองค์8ดเป็นต้นภิกษุทั้งหลายน้ำในมหาสมุทรย่อมมีรสเดียวคือรสเค็มชั้นใดธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นมีรสเดียวคือวิมุตติรสหมายถึงความหลุดพ้นจากกิเลสเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญแห่งพรหมจรรย์ที่เราประกาศแล้ว เพราะเหตุที่ธรรมวินัยหรือพรหมจรรย์ของพระองค์สมบูรณ์ด้วยนานาคุณลักษณะและสามารถช่วยแก้ทุกข์แก่ผู้มีทุกข์ได้นี่เองพระองค์จึงเรียกพรหมจรรย์ว่าเป็นกาลยาณมิตรและเรียกกาลยานมิตรเป็นพรหมจรรย์เพราะกาลยานมิตรที่แท้จริงของคนคือธรรมและบาปมิตรที่แท้จริงของคนก็คืออธรรมหรือ ความชั่วทุจริตจะมีศัตรูใดแรงร้ายเท่าพยาธิคือโรคจะมีแรงใดเสมอด้วยแรงกรรมจะมีมิตรใดเสมอด้วยมิตรคือธรรมพระอานนุ์เคยคิดว่ากาลยาณมิตรนั้นน่าจะเป็นครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์แต่พระศาสดาตรัสว่าอย่าคิดอย่างนั้นเลยอา น, นุ์กาลยานมิตร เป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดทีเดียวเพราะผู้ได้อาศัยกัลยาณมิตรอย่างเราแล้วย่อมหลุดพ้นจากทุกทั้งมวล พระอนุนพุทธอนุชาได้รับการยกย่องจากพระศาสดามากหลายเป็นที่รู้จักกันว่าท่านเลิศในห้าสถานด้วยกันคือ 1. เป็นผู้หูสูรสามารถทรงจำพระพุทธพจน์ไว้ได้มาก 2. แสดงธรรมได้ไพเราะคนฟังไม่อิ่มไม่เบื่อ 3. ม, มีสติรอบครอบรู้สิ่งที่ควรทำไม่ควรทำา 4. มีความเพียรพยายามดี 5. อุปถากต์บำรุงพระาศาสดาดียิ่งไม่มีข้อบอกพร่องเมื่อมีโอกาสท่านมักจะสนทนาธรรมกับพระสารีบุตรเสมอในคำเภีรงอังคุตลานิกายมีเรื่องที่พระอานนท์สนทนากับพระสารีบุตรหลายเรื่องเช่นเรื่องเกี่ยวกับนิพพานและสมาธิที่สุผู้ฉลาดและภิกษุผู้ไม่ฉลาด จากการสนทนากันบ่อยๆนี้พระสารีบุตรได้ประจักษ์ชัดว่าพระอานนุ์เป็นผู้ควรแก่การยกย่องและได้ยกย่องเชิดชูพระอานนท์ว่ามีคุณธรรมหประการคือ 1. เป็นผู้ได้ยินได้ฟังมาก 2. เป็นผู้แสดงธรรมตามที่ได้ยินได้ฟังโดยพิสดาน 3. เป็นผู้สาธยายโดยพิสดาน4 เป็นผู้ชอบตรึกตรองเพ่งพิจารณาธรรม 5. เป็นผู้ยินดีอยู่ใกล้กับพระเถระที่เป็นผู้หูสูตรทรงธรรมทรงวินัย 6. ท่านพยายามเข้าหาท่านที่เป็นผู้หูสูตรทรงธรรมทรงวินัยเพื่อเรียนถามข้อที่ควรถามในโอกาสอันสมควร